นะติกะหนึ่งปฏิจจวาระ 16. สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม และที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมรรคเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติม <is h. S 1> ัคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสาวาระสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมรรคเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เก e ิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมรรคเบื้องบนสาม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่อเหตุปัจจัยมีสิปดวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระและถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบดวาระเก ทัศนะเหตุตึกะหนึ่งปฏิจจวาระสิเจดสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจใจมียี่สิหกวาระอารมณะปัจใจมียี่สิเอ็ดวาระอธิปฏิปัจจัยมีสิบแปดวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตปัจใจมียี่สหกวาระสิบอาจยะคามิตกะหนึ่งปฏิจจวาระสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสิแปดวาระอารมณ์ปัจจัยมีคราวาระวิปลาสปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีสิบแปดวาระสิบเอ็ดเศคติกะหนึ่งปฏิจจวาระสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นของอาศขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศาศขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบแปดวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอาเสวัณปัจจัยมีหกวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีส8ปดวาระสิบสองถึงสิบหกปริตตะดุกะเป็นต้นหนึ่งปฏิจจวาระยี่สิบสภาวธรรมที่เป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบสองวาระอารมณปัจจัยมีสิบอดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบแปดวาระและถึง ันยมัญญปัจจัยมีสิบหกวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวัปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สิบสองวาระยีสิอ็สภาวธรรมที่มีปริตฐะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตฐะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอารมณะปัจจัยมีสิบสาวาระ อาทิตติปัจจัยมีห้าวาระและถึงปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระอาเซวณปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระยี่สิบสองสภาวธรรมที่เป็นชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสิบปดวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระและถึง วิปากะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิแปดวาระยี่สิบสามสภาวธรรมที่มีสภาวชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบแปดวาระอรมะณะปัจจัยมีเ้าวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีส8ปดวาระยี่สิบสี่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมียี่สิหกวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบหกวาระสิบเจ็ดอุปันนติกะเจ็ดปัญหาวาระยี่สิบห้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้น เป็นปันจจัยแข่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จกเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปันจจ pues ัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นและที่ไม่ใช่จกเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระ สหชาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุ ป, ปนณิสยปัจจัยมีเจดวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีสามวารา 19, ะ1 8บแถึงสิกอตีตติกะทวยะหนึ่งถึงเดปฏิจจวาระเป็นต้น 26สภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตและที er. <lia> <I> ่ไม่เป็นอนาคตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีเจดวาระ อธิปติปัจจัยมีเจดวาระอนันตระปัจจัย <Reese> มีสามวาระและถึงน <le> yes. okay. ิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีเจดวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระ 27. สสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์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 เกิดขึ alive, ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอนจจุธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเดชธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์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 อวิคตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระยี่สิบถึงยี่สิเอ็ดอจชะตาเดกะทวยะหนึ่งปฏิจจวาระยี่สิบปดสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ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 สภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์และที่ไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวาระย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณะปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระและถึงปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีหกวาระยี่สิบสองสนิทัสนะเดกะหนึ่งปฏิจจวาระสาสิสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 ยอ่อเหตุปัจจัยมีสามสิบห้าวาระธรรมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอัญญามัญญาปัจจัยมีสิบวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสิบห้าวาระพึงขยายปัญหาวาระให้พิสดารธรรมปั จ, จนิยานุโลมตึกปรปฐานจบ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 เกิดขึ้นเระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยเมฆาวาระอรมณปัจจัยเมฆาวาระละถึงอวิคตาปัจจัยเมฆาวาระพึงขยายสหชาติวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณาสอสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีฆ่าวาระอารมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระสาสภาวธรรมที่สัมปยุติเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุติเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหมือนกับเหตุุกะทุกกะเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสี่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่ยอเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อว er ิคตะปัจจัยมีก้าวาระหสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุติเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่วิปยุ์จากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกาวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีกาววาระ 6. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีฆ้าวาระปรมณะปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอัญญะมัญญปัจจัยมีหกวาระและถึงปเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระเจ็ดถึงสิบสามจุลันตระทุกะเจ็ด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 อวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระเกสภาวธรรมที่เห็นได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นได้และเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ อารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอว enfin ิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยรารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้เป็นปัจัจแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยรมณปัจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสียปัจจัยมีสามวาระอุปาณิสียปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระ อาัยวณัปจ์ใจมีหนึ่งวาระกรรมะปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสิสภาวะธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เกิดขึ้นเ พ, นพราะเหตุ ป, ปัจจัย สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่กระทบได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้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 อัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมะมะณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีหกวาระและถึง ป triangle, ุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาสิวนาปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี9วาระ 12. สภาวธรรมที Hills ่เป็นโลกียอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลเกียเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลเกียเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลเกียและที่เป็นโลกุตระ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 อวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ 13. สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ14ถึง19อาสวะโคจกะ 14. สสภาวธรรมที่เป็นอาสวะ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 เหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจใจสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสิบหกสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยอาสวะอาัจสภาวธรรมที่ไม่สัมยุญด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีหกวาระและถึง วิปากขปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ 17. สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดเพื่อพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระและถึงวิปากขปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ 18สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและสัมยุญด้วยอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจ hmm ัยย่อเหตุปัจจัยมีค่าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีค่าวาระ 19. สภาวะธรรมที่วิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่วิปวิจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เกิดขึ้นพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยีสิบถึงห้าสิบสีหักกะโคจกะมีสัญโฉชนะเป็นต้นยีสิสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะ อาศัยสภาวธรรมที่ไม <avez S 2> ่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกลาวว่า ละถึงวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยี่สิอสภาวะธรรมที่เป็นปรามาตยอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อ 68. ห้าสิบห้าถึงหกสิบแปดมหันตระทุกะยี่สิบสองสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้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 เหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสวาระอธิปติปัจจัยมีหวาระและถึงอัญญมัญญาปัจจัยมีหวาระและถึงปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาสิวนปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี9้าวาระ 23. สภาวธรรมที่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ 24, ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ24สภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีห้าวาระอาถึงวิปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยี่สิห้าสภาวธรรมที่สัมปยุติจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุติจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุติจักจิต อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้จิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้จิตและที่วิภิยุจากจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่วิภิยุจากจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่วิภิยุจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้จิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่วิภิยุจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธิจิตและที่วิปยุจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธิจิตและที่ไม่วิปยุจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึง อัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระและถึงปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอายเซวณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระ26สภาวธรรมที่รักควรกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระควรกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ระควรกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระควกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวะธรรมที่รักคนกับจิตและที่ไม่รัคนกับจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่รัคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยจมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระและถึงปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง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 เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมณปัจจัยมีเ้าวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระอาศัยเวนปัจจัยมีห้าวาระและถึง ara, อวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระยี่สบเก้า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 ปารามณปัจจัยมีห้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีห้าวาระอาเซวณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระสาสิ 30. สภาวธรรมที่ระควรกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระควรกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อารามณปัจจัยมีห้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีห้าวาระอายเสวนปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสาสบอสภาวธรรมที่ระควรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตอายสายสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระควรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระและถึงปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอายเสนปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ 32. สภาวธรรมที่ระควกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระควรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมณปัจจัยมีเก้าวาระและถึงปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระอเจวนปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระส3สสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตน อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนและที่ไม่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระสามสิบสี่ สภาวะธรรมที่เป็นอุปาทิยรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทิยรูเปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยวณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสาสิห้า สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เชี่ยรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอริยมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอาติเวนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตรปัจจัยมีห้าวาระ